อนุรุทธสั่งยุดประมวลเรื่องพระอนุรุตหรือพระอนุรุทธะผู้เป็นพุทธอนุชาคือน้องชายท่านพระมหาโมคลานะได้สนทนาธรรมกับท่านพระอนุรุทธะถามถึงเรื่องนี้ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอภิกษุจึงชื่อว่าปรารบสติปฐานสี่ประการท่านพระอนุรุทธะตอบว่า ท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุเกิดในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุดับในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมะเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมะเป็นเหตุดับในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิ ช, ชาและโทมนัตในโลกได้ พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุเกิดในกายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุดับในกายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมะเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมะเป็นเหตุดับในกายภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุเกิดในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่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 ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่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 มีสัมปัตชัญญะอยู่เถิดก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปัตชัญญะในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่และโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นธรรมะเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายในจิตทั้งหลายในธรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเช่นเดียวกัน สมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะแล้วถามว่าท่านพระอนุรุทธะนั้นได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะทาเหล่าไหนที่ท่านเจริญทำให้มากแล้วตอบว่าเพราะสติปัฏฐานสี่ประการคือในพระธรรมวินัยนี้ผมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัชญะญมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วอันหนึ่งผมได้รู้ธรรมะเลวโดยความเป็นธรรมะเลวและรู้ธรรมะปานกลางโดยความเป็นธรรมะปานกลางได้รู้ธรรมะประณีตโดยความเป็นธรรมะประณีตเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตร ได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าธรรมะเหล่าไห น, นที่ภิกษุผู้เสขาพึงเข้าถึงอยู่ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าข้อนั้นคือสติปัฏฐานสี่ประการที่ภิกษุผู้เสขพึงเข้าถึงอยู่ท่านพระสาวรีบุตรถามว่าธรรมะเหล่าไห น, นที่ภิกษุผู้อเสกขะพึงเข้าถึงอยู่ตอบว่า สติปฐานสี่ประการนี้ที่ภิกษุผู้อเสขะพึงเข้าถึงอยู่ถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าบริสุทธิ์ผุดผ่องขณะนี้โดยมากท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมคือมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ด้วยอะไรท่านพระอนุรุทธาตอบว่ามีสติปฐานสี่ประการเป็นวิหารธรรม สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธาอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ป่าอันทวันเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่และได้ถามว่าท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ครอบงำจิตอยู่ได้ท่านพระอนุรุทธาตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติประฐานสี่ประการทุกเขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ครอบงำจิตอยู่ได้ครั้งหนึ่งภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุรุท ธ, ธะแล้วถามว่าท่านได้ถึงความเป็นผู้มีอภิน ญ, ญามากเพราะธรรมะเหล่าไหนที่เจริญทำให้มากแล้วตอบว่า เพราะเจริญทาให้มากแล้วซึ่งสติปัฏฐานสี่ประการนั้นอันหนึ่งผมระลึกได้ตั้งหนึ่งพันกลับเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วและโดยในยาเดียวกันทันตระอนุรุธะสามารถแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ใช้อานาจทางกายไปจนถึงภรมโลกก็ได้ ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิฟและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิฟอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์และสามารถกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลเหล่าอื่นได้ด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นอีกประการหนึ่งรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะ และอาถานะโดยเป็นอาถานะตามความเป็นจริงรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดและมีธาตุแตกต่างกันตามความเป็นจริงรู้ชัดว่า มูสัตว์มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริงรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแพ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริง สามารถระลึกชาติก่อนได้หลายชาติร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือตายและกำลังอุบัติคือเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามอำนาจของกรรมด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุกประการนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธะสามารถทำได้เข้าถึงได้ก็เพราะได้เจริญทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่ประการนั้นแหละฌานสั่งยุดประมวลเรื่องฌานคือการเพ่งอารมณ์จนจิตสงบได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฌานสี่ประการนี้คือภิกษุในธ ร, รมวิเนนี้สงัดจากกามและอากุศ ล, ละธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งที่มีวิตกวิจารปิติละสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานคือฌานที่สอง มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตัตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เพราะลาสุขลาทุกได้เพราะโสมนัตละโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุ จ, จตุทาาัตฌานคือฌานที่สี่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุเมื่อเจริญฌานสี่ประการทำฌานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ภิกษุทั้งหลายอุทธรรมภากิยะสังโยชนิหประการนี้คือรูปราคะอารูปราคะมานะอุทธะและอวิชชาภิกษุพึงเจริญฌานสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธรมภาคียะสังโยชนิหประการนี้อาณาปานสังยุต ประมวลเรื่องสติกำหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นวิธีทำจิตให้สงบประการหนึ่งที่นับว่าสำคัญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงมากธรรมะอันเป็นเอกนั้นคืออานาปนาสติ อาณาปานาสติที่ภิกษุเจเริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงมากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อห า, าหายใจเข้ายา ว, ออ ก, ยาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวาก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นและโดยในยาเดียวกันสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออก สำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติจะรู้ชัดสุขจะรู้ชัดจิตะจะงงจตะสังขารจะระงับจิตตสังขารจะรู้ชัดจิตจะยังจิตให้บันเทิงจะตั้งจิตมัน่นจะเปลื่องจิตจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้จะพิจารณาเห็นความดับไปจะพิจารณาเห็นความสละก สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่บุคคลเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงมากว่าด้วยการเจริญพูดชง ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงที่สหรัตคต์โดยอาณาปานาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะคือการสลักและโดยในยะเดียวกัน เจริญธรรมะวิจยาสัมโพชงจนถึงเจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรัตตด้วยอาณาปานาสติอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรตน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลหนึ่งอย่างในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีว่าด้วยพระมหากัปปินะสมัยหนึ่งท่านพระมหากัปปินะนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณที่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัปปินะจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรถามว่า เธอทั้งหลายเห็นกายของภิกษุนั้นไหวหรือเอ็งเอียงหรือไม่ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั้นนั่งในท้ากลางสงฆ์หรือนั่งในที่สงัดตามลําพังเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นกายของท่านผู้มีอายุนั้นไหวหรือเอ็นเอียงเลยภิกษุทั้งหลายการที่กายไม่ไหวหรือเอ็งเอียง หรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะสมาธิใดที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วสมาธินั้นภิกษุนั้นได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลาบากการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว อุปมาด้วยประทีปภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสงมากภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่นี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ กายก็ไม่ลำ hm บากจักสุก็ไม่ลำบ hm ากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าแม้กายของเราไม่พึงลำ hm บากจักสุของเราไม่พึงลำ hm บากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น ก็พึงมานัสิการอาณาปานสติสมาธินิลให้ดีหากภิกษุในธรรมวิไนนี้พึงหวังว่าเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนก็พึงมานัสิการอาณาปานสติสมาธินิลให้ดีหากภิกษุในธรรมวิไนนี้พึงหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เราพึงเว้นทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้ว เป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปัชัญญาอยู่เราพึงสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมมาชานบรรลุทุติยชานบรรลุตติยชานบรรลุจตุทถตชานบรรลุอากาสานัญจายาตนาชานบรรลุอากินจัญญายตนาชานบรรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนาชาน บรรลุสัญญาเวทาอิตะนิโรธคือสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาเมื่อภิกษุพึงหวังแต่ละข้อนั้นก็พึงมานาสิการาณาปานาสติสมาธินิลาให้ดีภิกษุทั้งหลายเมื่ อ, อานาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนิลาทำให้มากแล้วอย่างนี้ถ้าเธอสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่า สุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ารู้ชัดว่านั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าถเธอสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากิเลสสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเธอสวยทุกขเวทนาหรือสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยเวทนานั้นเธอเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไป ก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยน้ํามันและไส้แต่เกียงน้ํามันจึงติดอยู่ได้เพราะสิม น, น้ํามันและไส้แต่เกียงน้ํามันก็หมดเชื้อดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวคือนิพพานว่าด้วยพระธรรมเทศนา ที่กรุงเวสาลีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานคือการตั้งอารมณ์พิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่งามมีแต่ความสโปรกโสโรครกน่าเกลียดตรัสสอนอสุภกรรมฐาน ทรงพันาคุณแห่งอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆครั้นต่อมาทรงปรารถนาจะลีกเล้นอยู่ผู้เดียวเป็นเวลาครึ่งเดือนในครึ่งเดือนนี้จึงไม่มีใครๆเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยกเว้นภิกษุผู้นําอาหารบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้น เมื่อได้ฟังพุทตโอว่าตรัสสอนเรื่องอสุภกรรมฐานจึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกยียจร่างกายของตนจึงพากันสแสวงหาสัจระสำหรับฆ่าตัวตายวันเดียวภิกษุฆ่าตัวตายสิบรูปบ้าง30สบรูปบ้างเมื่อครึ่งเดือนผ่านไป พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าทําไมภิกษุจึงดูเหมือนจะน้อยลงท่านพระอานนท์จึงกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งให้ท่านพระอานนท์เรียกภิกษุทั้งหมดในกรุงเวสาลีมาประชุมที่โรงอาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย อาณาปณสติที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบปราณีตสดชื่นเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขและทําบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วภิกษุทั้งหลายฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อนถูกฝนใหญ่นอกฤดูการทําให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็ว แม้ฉันใดอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขและทำบาปอากุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วว่าด้วยพระกิมิลละสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภราคประทับอยู่น้าป่าไผ่เขตเมืองกิมิลาณที่นั้นรับสั่งเรียกท่านพระกิมิละมาตรัสถามเรื่องอาณาปานาสติแม้ทรงถามถึงสามครั้งท่านพระกิมิละก็ได้นิ่งเฉยครั้งนั้นท่านพระอนนท์จึงกราบทูลให้ทรงแสดงเรื่องอาณาปานาสติสมาธิเพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้สดับแล้วจัทรงจำไว้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาณาปณสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงมากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าไปสู่คนไม้ไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังค์คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออกจนถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหละทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงมากสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่า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 สำเนียกว่าจะระ ง, งับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระ ง, งับกายสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัจชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวกายอย่างหนึ่งคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชญะมีสติกำจัดอภิ ช, ชาและโทมนัสในโลกได้สมัยใดภิกษุสําเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติหายใจเข้าจะรู้แจ้งปีติหายใจออกจะรู้แจ้งสุขหายใจเข้าจะรู้แจ้งสุขหายใจออก จะรู้แจ้งจิตตะสังขารหายใจเข้าจะรู้แจ้งจิตตะสังขารหายใจออกจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนตสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรากล่าวเวทนาอย่างหนึ่งคือการมนาสิการให้ดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิต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 สำหรับผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปะชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตยอยู่มีความเพียรมีสัมปะชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า จะพิจารณาเห็นความคลายออกได้จะพิจารณาเห็นความดับไปจะพิจารณาเห็นความสลละคืนหายใจเข้าหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอาภิชาและโทมานตในโลกได้เธอเห็นการละอาภิชาและโทมนั์นั้นด้วยปัญญา ละ ว, วางเฉยอย่างดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมป ช, ชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้อานนท์ดินกองใหญ่ที่ถนนใหญ่สี่แยกถ้าเกวียนหรือรถผ่านมาทางทิศตะวันออกก็จะกระทบดินกองนั้น ถ้าผ่านมาทางทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็จะกระทบดินกองนั้นแม้ชันใดภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ก็ดีชื่อว่าย่อมกำจัดบาปอกุศละธรรมได้เมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็ดีชื่อว่าย่อมกำจัดบาปอกุศละธรรมได้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับยุ่ณไพรสนชื่ออิจฉานังคละตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดียวรธีบริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายโดยมาพระสมณะโคดมทรงอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหน เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดียวระีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโดยมากพระผู้มีพระภาคทรงอยู่จำพรรษาด้วยอาณาปานาสติสมาธิภิกษุทั้งหลายความจริงบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงธรรมนั้นใดว่าอริยวิหารคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริย พร ม, มวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของครมตถาคตวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงอาณาปานาสติสมาธิภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมปรารถนาธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ อาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตกีนาศอยู่จบรมอาจารย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และเพื่อมีสติมีสัมปชัญญะสมัยหนึ่งท่านพระโลมสักการพิยะอยู่ที่นิโครทารามเขตกรุงกบิลพัทแขวนสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะทรงพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามดังนี้ว่าเสขะวิหารธรรม คือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระเสขะคือพระอริยะเบื้องต้นแต่ยังไม่ถึงอรหัตผลกับตถาคตวิหารธรรมเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าเป็นคนละอย่างถวายพระพรตอบว่าเป็นคนละอย่างกันคือภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนารมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่าละนิวรห้าประการอยู่คือสันทะพยาบาททีนามิทะอุทธจักกุจจะและวิจิกิจชาส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตะขี น, นาศบอยู่จบรมจรร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วสิ้นพะวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบนิวรห้าประการเป็นอันภิกษุเหล่านั้นละได้เด็ดขาด ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปนแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ขอพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้โดยป ร, ริยาที่ว่าเสกขวิหารธรรมเป็นอย่างหนึ่งตถาคตวิหารธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้น ท่านพระอนนท์เข้าเฝ้ากราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้ธรรมะสี่ประการบริบูรณ์ธรรมะสี่ประการที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้ธรรมะเจประการบริบูรณ์ธรรมะเจ็ประการที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้ธรรมะสองประการบริบูรณ์มีอยู่หรือไม่ พระผู้มีประภาตรัสว่ามีอยู่อานนทธรรมะอันเป็นเอกคืออาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชฌงเจ็ประการบริบูรณ์โพชฌงเจ็ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้วิชาและวิมุตต์บริบูรณ์พระผู้มิพระภาคตรัสอธิบายถึงการทำอาณาปนานสติซึ่งข้อความเหมือนกับพระสูตรที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับอาณาปนานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหละทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการ ที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้โพชฌงเจ็ดประการบริบูรณ์คือสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สมัยนั้นสติของเธอตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดสติของภิกษุย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสมโพชฌงเป็นอันภิกษุปรารบแล้ว ภิกษุเจริญสติสัมโอชงสติสัมโอชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเธอมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมะนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมะวิจยะสัมโพโอชงเป็นอันภิกษุปรารอบแล้วภิกษุเจริญธรรมวิจยะสัมโพโอชงธรรมวิจยะสัมโพโอชง จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเมื่อเธอค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่ อ, อย่อนชื่อว่าเป็นอันปรารบแล้วสมัยนั้นวิริยะสำโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วจเจริญแล้ววิริยะสำโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ปีติไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยนั้นปีติสามพุทชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วเจริญแล้วภิกษุเจริญปีติสามพุทชงปีติสามพุทธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุแม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปีติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยนั้น ปัสสติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญปัสสติสัมโพชงปัสสธิสัมโพชงถึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขยอมตั้งมันสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญสมาธิสัมโพชง สมาธิสัมโพชฌงช์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุทั้งเจ็ดประการนั้น เป็นการพิจารณากายในกายและโดยในญาติเดียวกันภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายพึงพิจารณาเช่นเดียวกันสติปัฏฐานสี่ประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหลทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทําให้โพชงเจ็ดประการบริบูรณ์โพชงเจ็ดประการ คือการเจริญสติสัมโพชงเจริญธรรมะวิจยสัมโพชงจนถึงเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะโพชงเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหละทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุตตบริบูรณ์ธรรมะอันเป็นเอก คืออาณาปนาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้สติปัฏฐานสประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้โพชฌงเจตประการบริบูรณ์โพชฌงเจตประการที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์ยอมเป็นไปเพื่อถอนอนุสั ย, ยอมเป็นไปเพื่อกำหนดรูอัฏฐานะคือทางไกลยอมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ